สองาทิตย์ที่แล้วนะก็มีข่าวนะแพร่ไปทั่วโลกโดยเฉพาะตามโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกานะสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะเด็กมากับพ่อแม่เด็กก็ประมาณตั้กวอบสองขวบก็ไปดูกอริลลานะกอริลลานี่ในอเมริกาเขาไม่ได้ขังมันในกรงนะเขาจะให้มันอยู่ในที่โลง่งแล้วก็ยกพื้นสูงเพื่อให้คนเนี่ยลงมาดู อันนี้ก็เพื่อให้สัตว์เนี่ยมันมีอิสระภาพบ้างนะอยู่ในกรงนี่มันขับแคบทรมานเดี๋ยวนี้ก็มีการให้สัตว์เนี่ยไว้ในสภาพอย่างนั้นนะตามสวนสัตว์อันเด็กนี่ก็เห็นกอริลาก็ชอบนะแล้วก็คงจะปีนขึ้นไปชงเงาะ น, นะปราก็ตกลงมาตกลงมากอริล่าตัวหนึ่งนะก็เข้าไป ชื่อฮารัมบีนะเด็กเนี่ยตกไปในเขาจะไปในคูน้ำนะไอ้ฮารัมบีก็ไปถึงเด็กขึ้นมาแล้วก็เล่นกับเด็กแล้วก็อาจจะเล่นแปลกๆหน่อยเช่นจับแขนเด็กลากไปลากมาตรงในคูน้ำนั่นแหละอันนี้ดูภาพไม่ชัดเพราะแม่ตกใจมากก็เลยไม่รู้ว่าไปขอหรือไปกดดันให้พนักงานที่ดูแลสวนสัตว์เนี่ย จัดการกับฮาลัมบีก็คือยิงฮาลัมบีจนตายอันเด็กปลอดภัยแต่ฮาลัมบีก็กลายเป็นศพอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าคนเขามองว่าเป็นการทําทาลุ่มสัตว์ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องเอาความปลอดภัยของคนเป็นหลักสัตว์เป็นรองแต่คนก็แย้งว่าฮาลัมบีมันก็ไม่ได้ทําอันตรายเด็กอะไรเลยนะมันกับเล่นกับเด็กด้วยซ้ํา เรื่องนี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะแต่ว่าหลงเอ่ยคนละแบบเมื่อยี่สิบปีที่แล้วพอดีเลยทยี่เทศอเมริกาเหมือนกันนะเด็กประมาณสามขวบวก็ชงงะ น, นะชงงะดูกอริลลาที่อยู่ข้างล่างบอกเขว่าตกลงมาตกลงมาก็มีกอริลลาตัวหนึ่งเป็นกอริลลาแม่ลูกอ่อนนะมันยังมีมันยัง ม, ม, มีลูกอ่อนอยู่บนหลังมันเลยติดอยู่บนหลังนะลูกอ่อนนี่เกาะหลัง เจ้าตัวกอริล่าแม่ในที่ชื่อเลยนะบีตัวจามชื่อแบบแอฟริกาส่วนใหญ่ชื่อกอริล่าจะเป็นแบบแอฟริกันนะบีตัวจามมันเห็นก็ทํำยังไงมันก็เข้าไปไปจับเด็กแล้วแล้วก็กอดเด็กเอาไว้อย่างนุ่มนวลแล้วก็อุ้มเด็กเนี่ยไปส่งไปส่งที่ประตูมันมีประตูกรงนะเพื่อให้เจ้าที่สวนสัตว์มารับ ในเหตุการณ์้ก็มีกอริลลาตัวอื่นมาด้วยนะแต่ว่าฮาลัมดีเนี่ยนะไม่ใช่ฮาลามบีปีตุนจาเนี่นะมันก็เมือนก็ไปช่วยเด็กนะแล้วก็รู้ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือถ้าเด็กก็ปลอดภัยนะใครๆตอนนั้นก็คิดว่าเนี่ยเด็กคนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่าเรามักจะมองว่ากอริลลานี่มันน่ากลัวตัวใหญ่มากแต่ว่าบีตุนจานี่นะอ่อนโยนมากนะเอาเด็กอุ้มเด็กไปให้เจ้าที่ส่วนสัตว์ ก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะคนไม่คิดเลยว่ากอริลลาเนี่ยซึ่งเรามีสายตามีภาพว่าเนี่ยเขาหน้ากลัวดุร้ายที่จริงไม่ใช่นะอ่อนโยนฮารลัมบีก็เหมือนกันนะคนที่เลี้ยงฮารลมบียมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาบอกว่าฮารลบียมันเป็นกอริลลาที่น่ารักแล้วก็ดูจากภาพนี้ก็คงอยากจะเล่นกับคนนะนะอยากจะเล่นกับเด็กแต่คนเรานี่ไม่เข้าใจนะไปคิดว่าสัตว์หน้าขนพวกนี้อันตรายในถ้าคนที่รูปประวัตินะ รู้ธรรมชาติของกอริลลาเนี่ยนะหรือว่ารู้ประวัติที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กสามขวบเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัคงจะไม่ยิงนะก็คงจะรอดูเหตุการณ์สักพักนะแล้วก็อาจจะพูดคุยกับฮารัมบีว่าเออเอามาเอาเด็กมาคืนเจ้าหน้าที่หรือคืนพ่อแม่ได้ละอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าบางทีมนุษย์เราเนี่ยกลัวนะกลัวมากเกินไปแต่ว่าไปแล้วสัตว์นี่มันมีแม่ตา ม, มากกว่าคนอีกนะ เราไปิดว่สัตว์เดรัจฉานี่มันไม่มีเมตตากรุณาแต่ความจริงเนี่ย ม, มันจะมีเมตตาโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความเป็นแม่อย่างไอ้บีตูนจานี่เขเป็นแม่ลูกอ่อนนะที่อเมริกาก็มีสวนสัตว์ทํานองนี้อยู่นะมีกอริลลาตัวชื่อโคโค่นะโคโค่หรือโกโก้เนี่ยมันรู้ภาษาคนนะแล้ววันนึงมันก็ทําท่าทําทางเอานิ้วนะชี้ไปที่แก้มหมายถึงอะไรหมายถึง หนวดหมายถึงสัตว์ที่มีหนวดนะมันอยากอยากมีแมวเป็นเพื่อนเล่นนะมันสื่อสารบอกภาษาด้วยภาษากายว่าอยากเล่นกับแมวนะเจ้าที่สนใจก็เอาแมวมาให้นะเป็นลูกแมวนะโอ้ยโ ค, โค้กนี่มันมีความสุขมากเลยที่ได้เล่นกับแมวนะ เ, เวลาจับแมวนี่ก็จะจับด้วยความอ่อนโยนบางทีก็เอาทิชชู่เนี่ยนะมาล่อให้แมวเนี่ยวิ่งไปนะ ไลงับทิด ช, ชูเนี่ยโคโค่ก็มีความสุขนะเล่นกับแมวแมวตัวเล็กมากบางทีอุ้มแมวแมวขวนนะโคโค่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้นะอขวนก็ขวนไปนะเข้าใจนะอันนี้ก็แสดงถึงความมีเมตตาความรักนะของของสัตว์นะซึ่งตัวมันใหญ่มากนแต่ใจเนี่ยนะมันอ่อนโยนนะนธรรมาชาติของสัตว์เนี่ยนะมันก็มีความรักความเมตตาเหมือนกันบางทีอาจจะนึกไม่ถึงนะ ไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาคนหรือว่าสาตัตว์ต่างพันธุ์หรือว่าพวกเดียวกันแต่ว่าไม่รู้จักกันก็ได้ก็เคยทดลองนะเอาลิงหกตัวเนี่ยมาขังไว้ในกรงแล้วเวลาลิงจะกินอะไรนะอยากกินอะไรก็ต้องไปต้องไปดึงคันโยกนะดึงคันโยกหรือดึงโซ่นะดึงโซ่ก็จะได้ของกินแต่ทุกครั้งที่ลิงดึงนะมันจะมีลิงตัวที่เจ็ดโดนช็อต โดนไฟฟช็อตอยู่ ใ, ใกล้ๆอยู่คนละกลงนะแต่เห็นกันนะอยู่คนละกงติดแต่ยดอยู่ติด ก, กันเนี่ยดึงโซ่มากินอาหารทีไรไอ้ลิงตัวที่เจ็ด ก, ก็จะร้องนะเพราะว่าโดนไฟช็อตบอกกัว่าลิงสี่ตัวเนี่ยเปลี่ยนเลยนะโซ่เดิมหรือคันโยกเดิมไม่เอาละนะไปดึงโซ่ไปดึงคันโยกใหม่สถานที่มีอาหารน้อยกว่านะ แต่ว่าไม่อยากจะให้เพื่อนซึ่งก็ไม่รู้จักนะมันเจ็บปวดเรียงตัวที่ห้าเนี่ยปรากฏว่าไม่จับไม่จั บ, จบโซ่ไม่ดึงโซ่เลยนะเป็นเวลาห้าวันคือยอมหิวนะห้าวันเพราะไม่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยเจ็บปวดเรียงตัวที่หกนี่ยิ่งกว่า น, นั้นนะมันไม่แตะโซ่เลยไม่แตะคันโยกเลยสิบสองวันยอมหิวนะยอมอดเพราะว่ารู้ว่าหรือคิดว่าถ้า ไปจับโซ่เมื่อไหรดึงโซ่มา่อไหร่นี่เพื่อนก็จะโดนไฟฟ้าช็อตเจ็บปวดแล้วลิงเ่มันมีน้ำใจนะบางทีมันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองซอีกอยู่ในลิงนะถามว่าใครสอนลิงนะไม่มีใครสอนนะแต่รู้เองหรือจะเรียกว่ามันมีสัญชาตญาณนิฝังนะอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่เกิดก็ได้ดันั้นเวลาบอกว่าเนี่ยเมตตาธรรมเนี่ยนะมันคือมนุษยธรรมอย่างหนึ่ง หมายถึงว่าเมตตาธรรมก็คือธรรมะในตัวมนุษย์จริงมันก็มีในสัตว์ด้วยและสมัยนี้สัตว์จะมีมากกว่าคนก็ได้นะเพราะว่าคนเนี่ยชอบปรุงแต่งคิดไปคิดต่างๆสารพัดก็เลยเกิดความกลัวอย่างกรณีหาลัมบีเนี่ยนะคนไม่รู้จักก็กลัวนะยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นอาลัมบีมไปไปแตะไปอุ้มนะไปเล่นกับเด็กก็กลัวว่าเด็กเป็นอันตราย ก็เลยจัดการเก็บซะเลยนะคนก็สงสารนะะคนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่เป็นอันตรายมากกว่าใครแล้วคือคนนี่แหละ้คนนี่เราคนเนี่ยเรานี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนนะมันเป็นอันตรายมากเขาเรียกมนุษย์ว่าเวนยสัตว์นะหมายถึงว่าสัตว์ที่ฝึกได้ฝนะึกได้จริงๆสัตว์อื่นๆมันก็ฝึกได้เหมือนกันนะ จะเป็นหมาจะเป็นลิงก็ฝึกได้นะฝึกให้มารู้ภาษาก็ได้ฝึกให้มันมีเมตตาก็ยังได้เลยอย่างฮาลามีมันก็ถูกฝึกมาให้อยู่กับคนให้มันคุ้นเคยคนมันรักคนมากนะสัตว์ก็เหมือนกันอคนก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ฝึกนะมันก็ไม่ใช่เวนัสัตว์นะแต่ถ้าฝึกแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะมีเมตตากรุณาได้นะ น, นี่เรียกว่ายอมเสียสละตัวเองเพื่อ เพื่อชีวิตอื่นเพื่อสัตว์อื่นก็ได้นะอย่างพระโพธิสัตว์นี่ท่านก็พร้อมที่จะสละในตาอวัยวะร่างกายหรือแม้แต่ชีวิตเนี่ยเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันนะแม้กระทั่งสัตว์นะอย่างในพระชาตินึงเนี่ยก็เคยยอมโดดลงไปให้แม่เสือเนี่ยกินตัวท่านเองตอนนั้นท่านเป็นฤาษีนะเพื่อจะช่วยลูกเอาไว้แม่เสือมันจะกินลูกเพราะมันหิวมากนะ เสืลูกเสือนี่ก็เพิ่งเกิดแม่เสือจะขย้ำลูกพระโทธิสัตว์เห็นก็ต้องการช่วยชีวิตลูกเสือไว้ก็เลยโดดลงไปที่สองก้อนผาซึ่งเสืออยู่ตรงนั้นแหละให้แม่เสือกินนะจะได้รักษาชีวิตของลูกเสือไว้อันนี้ก็เป็นผลของการที่ฝึกจิตเอาไว้นะเรียกว่าเป็นเวนัยสัตว์นะเมื่อเราฝึกจิตจนมีเมตตานะก็สามารถที่จะสลัดชีวิตนะ เพื่อสิ่งอื่นได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนนรชนเนี่ยย่อมสละอวัยวะเพื่อรักษาสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเมื่อเราลึกถึงธรรมหรือสละชีวิตเพื่อธรรมอันนี่ ย, ยถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมันก็จะ อ, ะอาจจะทตรงข้ามนะไม่เพียงแต่สละชีวิตเพื่ออื่นเพื่อตัวเองเท่านั้นนะ แต่บางทียังโง่ถึงขนาดที่เราว่าสละชีวิตเพื่อรักษาอวัยวะหรือสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์สินก็ได้คนที่ยอมตายเพื่อทรัพย์สินเนี่ยมีเยอะนะหรือคนที่ยอมสละชีวิตเพื่ออวัยวะมีนะเห็นว่าพุงมันใหญ่ร่างกายนี่อ้วนอยากจะลดความอ้วนยอมนะยอมเสี่ยงตายะยอมเสี่ยงตายเพื่อจะลดความอ้วนอันนี้ก็เรียกว่ายอม เสี่ยงสละชีวิตเพื่อราาออักษาอวัยวะหรือเพื่อให้อวัยวะมันดูสวยงามนะให้รูปร่างหน้าตามันดูสวยแล้วบางทีก็ตายจริงนะตายเพราะว่ากินยาลดความอ้วนหรือว่ายอมตายเพื่อจะให้ร่างกายมันดูดีอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกให้เห็นนะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำผู้ง่าคือว่าไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญาหรือมีแม่ตากรุณาแล้วเนี่ยนะมันก็จะนำไปสูขข่การเอ้อเฟอ้อเกอื้อกูลทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้เอาละวันนี้ก็พูกเท่านี้อ่ะเอมรับพร